วิธีการไหวของหลวง่อเทียนเนี่ยเปนใหญ่เข้าใจแล้วิธีภาวนาทุกอย่าเราพูดถึงหมดหมดว่วาวิธีภาวนาแบบของพุทธเจ้าทั้งหเนี่ยจะมี2องอย่างครับแบบที่ใช้ความคิดและแบบที่ไม่ใช้ความคิดแบบที่ใช้ความคิดส่วนใหญ่จะใช้สมาธินะส่วนใหญ่จะใช้ความคิดอนะัะ ใช้ความคิดนำเขาจะใช้สมาธิเป็นตัวพื้นฐานทาให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียววิธีการวาอารมณ์ของวิธีการใช้ความคิดนำคือเดียวเนำจิตที่ไปอยู่ในอารมณ์เดียวไปหรือไหใช้สมาธิให้จิตนิ่งให้จิตอยู่อารมณเดียวไปหรือเราค่อยๆจินไปสู่การคิดพิจารณาสุภาพพิจารณาความจริงพิจารณาใจเราสารภาพที่จะเลือกพิจารณาแล้กลายเป็นท่าเป็นฐาน พิจารณาเพืให้จิตเห็นตามความเป็นจริงเห็นตาความเป็นไปว่ า, ใใ า, าตายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นอย่างนี้เมื่ใจที่มีอารมณ์เดียวเป็นหลักเนีเขามีกําลังในการพิจารณาการใจโฉดโนไปสู่ความชั่วในเช่นนัเมือเ่อเขาน้อมไปสู่ความชั่เห็นเมือ่อกายก็เป็นเบต้าจิเห็นตอนปัญญาจิตเกิดพอปัญญาจิตเกิดจิตจะไปถอนตัณหาถอนความเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นหลัก กระบวนการแบบนี้จะเป็นกระบวนการที่ช่วยแบบที่พระป่าใช้ที่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นที่เราต้องสมาธิมันเนี่ยขอขอแ้าให้ทีวิธีที่2คือวิธีแบบเตี้ยโตมีโแบบที่ไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้การเหนี่ยวลำอารมณ์จิตให้ไปดูอย่างอารมณ์เดียวไม่ต้องใช้การคิดไม่ต้องใช้การที่จรณาช่วยตอนใช้เพี่ยงสุดธรรมชาติแบบธรรมชาติ เ็ si ีค <í> ือธรรมชาติของการรับรู <dead> ้ต่อสิ่งต <p> ่างๆธรรมชาติที่นรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่กาลังเกิดเกิดผ่านการเกิดผ่านความรู้สึกที่คิดเราแลปัจจุบันเนี่มันมีธรรมชาติตัวเองธรรมชาติตัวนั้นเขาเรียกว่าสติเราให้ไปกับต้นธรรมชาติตัวนี้ให้กระตุ้นแต่สร้างให้พวกเราธรรมชาติตัวเนี้ให้มีกำลังขึ้นมา นี่คือเกดดตตที่1ตอเยว่าสารประอบว่าเกดโดตที่1หลุดพ้นได้วยมไม่ใช่หลุด้นได้เปัญญาในแบบเนี้ยเมื่อคืนที่คุยกันเอ้ยทาไมภาวนาแบบเคลื่อนไหวดูไม่ค่อยมีปัญญาเลย <c oughs> มันเป็นปัญญาคนละอย่างมันเป็นปัญญาต่อการสัมผัสรู้มันไม่ใช่การคิดพวกเราจะชินกับการคิดวิธีเคลื่อนไหวแบบจเจริญสติแบบอ่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องใช้การเหนี่ยวนำอารมณ์ แค่แยกแยะให้มันออกในในวิธีนี้นะเราทำเรื่องเดียวใส่ใจที่จะปกเล้าใส่ใจที่จะสร้างเหตุใส่ใจที่จะไปทำให้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติรับรู้ภาษายตนะการทางานของกายของใจเนะี่ยให้เขาทำงานให้ได้สิ่งนี้เราไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่เราไม่คุ้นชินกันกับการที่จะไปกระตุน้นหรือ ว, ว่าการรู้สึกซื่ อ, อการรับรู้ซื่อเนี่ย มันดูเหมือนจะยากสาเหตุที่มันดูเหมือนจะยากเพราะว่าเราไม่ไม่คุค้นชินสิ่งที่เราคุ้นชินที่สุดคิดเราคุ้นชินกับการคิดเราไม่คุ้นชินกับการสัมผัสคนละฟากเลยนะ้ากของการสัมผัสคือวิธีการภาวนาแบบเจริญสติวิธีภาวนาแบบเจโตวิมุตติวิธีพราวนาแบบเคลื่อนไหววิธีภาวนาแบบพวกเราเนี่ย เป็นฝ้าของการใช้การสัมผัสรับรู้สัมผัสไม่ใช่การคิดรู้ไม่ใช่การสร้างภาพไม่ใช่การนิจารณาอะไรเลยฝึกการสัมผัสให้ใจสัมผัสรับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดผ่านกายผ่านสิ่งที่กําลังเกิดผ่านใจคือความคิดคืออารมณ์ฝึกให้ใจทำสิ่งนี้เป็นตอนเราเกิดเด็กๆตอนเราเกิดใหม่ๆ ต้าไปสังเกตดูเด็กๆเราจะเห็นว่าเด็กๆใช้ความสัมผัสเด็กเล็กๆนะก่อนที่เขาจะคิดเป็นก่อนที่เขาจะโวยวายเป็นก่อนที่เขาจะพูดเป็นนะ่ะเด็กๆจะเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายโดยการสัมผัสยิ่งเด็กตัวเล็กๆก็เริ่มเลื่อมตาได้ออแอออแอยังพูดไม่เป็นเรื่องนะแต่ถ้าอากาศร้อนหน่อยเดียวเขาจะร้องโวยวายเขานอนไม่สบายตัวนอนไม่สบายกายเขาจะวยวายทันที ถ้เขาสัมผัสสัมผัสต่อธรรมชาติทั้งหลายสัมผัสต่ออาการที่เกิดกับกายทั้งหลายตรงๆแต่พอเราโตมากขึ้นมากขึ้นเราไปฝึกและพัฒนาด้านการคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็คิดแล้วก็ไปตัดสินทางด้านการคิดแต่ทักษะของการที่สัมผัสต่อธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงพอมาภาวนาแบบนี้เราเลยแยกมันยากแยกยากว่ายังไงคือรู้สึกตัวรู้ซื่ อ, อแบบหลวงพ่อเทียนให้รู้ยังไง ฝึกมาสิบปียังรู้ไม่ซื่อสักทีถ้ารูแ้แล้วมันมีการคิดเนมันไม่ซื่อหรอกรู้ซื่อๆคือสัมผัสรู้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการรู้ซื่อๆจุดเริ่มต้นของการภาวนาแบบเนี้ยเริ่มต้นที่สุดหนึ่งสัมผัสรู้เป็นฝากฝัง่งของสัมผัสรู้วิธีสัมผัสรู้เนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นหลักๆเลยนะวิธีการอา่าสมัยก่อนสมัยที่หลวงปูเตียนสอนใหม่ ด้วยความที่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าเนี่ยสมาธิท่านดีอุเบกขาจิตท่านมีข้อมลข่าวสารรอบตัวมันน้อยจิตท่านมีสมาธิดีท่านจะประคองกายประคองใจให้อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกตรงๆเลยมันจะเป็นอาการคาบเกี่ยวระหว่างสมาธิกับมิปัญสนาแล้วเขาจะประคองความรู้สึกตัวอย่างเป็นกลางได้พวกเราพอจะพยายามที่จะประคองกายประคองใจให้มันอยู่ด้วยกัน ด้วยความที่ข้อมลข่าวสารในยุคพวกเรากับความคุ้นชินของพวกเราที่เป็นพวกใช้ฐานสมองใช้ฐานความคิดเยอะๆสมาธิและอุเบกขาจิตเราค่อนข้างน้อยพอพยายามที่จะประคองกายประคองใจเรากลายเป็นเพ่งจ้องเรากลายเป็นกรรมเรากลายเป็นกฎเกณฑ์เพ่งจ้องซึ่งเป็นฝ้าของสมถะหมดและมันก็ไปสร้างภาพในหัวสร้างความรู้สึกตัวที่เป็นภาพในหัวเราไปติดกับเรื่องนี้หมดเลย มันหลุดไปจากการสัมผัสรู้ซื่อๆพวกนี้มันหลุดไปตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นวิธีการเดิมนะเขาให้แค่สัมผัสรู้สัมผัสรู้อาการกายสัมผัสรู้ความเคลื่อนไหวสัมผัสรู้ความรู้สึกนึกคิดที่ไหวที่ไหวมุ่ในใจวิธีเดิมมีคนหนึ่งตัว น, นั้นน่าจมาอ่านเจอใครจําไม่ได้แล้วว่าใครเขาสรุปคําสอนของหลวงพ่อเทียนในเวอร์ชันดเดิมที่หลวงพเทียนพูดไหมอ่ะเขาสรุปว่า ดักจับการเคลื่อนไหวของกายและใจเคล็ดลับของเราก็เถียนดักจับการเคลื่อนไหวดักจับแบบเฉยๆนี่แหละพอมันเคลื่อนมันไหวก็แค่รู้ตามรู้ตามเขาบอกแค่นั้นแต่พวกเราพอดับจากดักจับการเคลื่อนไหวพวกเราจะทําอย่างไง <c oughs> เคลื่อนไหวหรือยัง <c oughs> เราจะทําอย่างนี้ พวเราสมาธิแล้วเบียขาไม่มีเราจะไปเพ่งไปจ้องไปรอไปไปบังคับไปสร้างขึ้นวิธีที่ดีที่สุดกับในยุคสมัยพวกเราที่สมาธิน้อ ย, อยเบียาน้อ ย, อยความฟุ้งซ่านเยอะมากเนี่ยรู้ตามอย่าไปสร้างอะไรขึ้นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสติเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสมาธิเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความว่างก็มีอยู่แล้วสิ่งที่เกินมาจากสิ่งเหล่านั้นอะ ภาวนามากเข้าไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นแต่ดูสิ่งที่มันเกินออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะค้นเจอสิ่งที่เป็นความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติความรู้สึกตัวแบบเป็นเดิมแท้ได้ง่ายแต่ก่อนอื่นสิ่งแรกอื่นเราต้องแยกให้ออกก่อนสิ่งแยกสิ่งแรกอื่นนะต้องแยกให้ออกกายคืออะไรเราใช้อะไรเป็นเครื่องฝึกอะไรเรากําลังภาวนาเพื่อทำอะไรต้องแยกตัวนี้ให้ออก กายเป็นสิ่งไม่คืนท่านอาจารย์แยกแยกให้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมอะไรคือสิ่งที่ต้องฝึกตาต้องฝึกเห็นรูปไหมไม่ต้องสิ่งที่เกิดกับกายทั้งหมดสิ่งที่ทําการทํางานของอายตะนะทั้งหมดไม่ต้องฝึกเขาการเคลื่อนไหว14จังหวะเนี่ยไม่ต้องไปฝึกเขาเหรอกให้กายเขาเคลื่อนไปให้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติสิ่งที่เราต้องฝึกฝึกการรับรู้ ฝึกแค่รับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดตามธรรมาชาติทั้งหลายเราพระเทียนนั้นใช้การเคลื่อนไหวสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านฝึกเคลื่อนไหวมาก่อน <c oughs> เออดผลนะ่ะเราพระเทียนเลยใช้การเคลื่อนไหวเป็นเหตุฝึกการรับรู้เป็นเหตุฝึกสติถ้าหลวงพระเทียนั่งกระดิกนิ้วกำมือแค่นี้ท่านก็คงจะใช้การกำมือเฉยๆนี่แหละเป็นเครื่องมือถ้าท่านนั่งใช้ลมหายใจท่านก็คงจะใช้ลมหายใจฝึกการรับรู้ ประเด็นของหลวงพ่อเทียนไม่ใช่การเคลื่อนไหวประเด็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนคือการรับรู้คือการรู้สึกรู้สึกแบบสัมผัสรู้ต่อสิ่งนั้นๆประเด็นของหลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้ประเด็นของหลวงพ่อเที ย, ยเนรเราฝึกการรับรู้แบบสัมผัสรู้ต่อสิ่ง น, น, นั้นๆที่กำลังเกิดให้สัมผัสรู้ให้ได้ไอ้การเคลื่อนไหวเอ้ยความปวดความเมื่อย แต่ทกคนที่เคยเรียนกับหลวงพ่อมาหาหลังๆหลวงพ่อท่านจะปรับไปสู่ตัวเวธนาใช่ไหมนั่งอยู่เวลาความปวดความเมื่อยเกิดความปวดความเมื่อย ก, กับการเคลื่อนไหวเนี่ยต่างกันไหมมันต่างกันโดยอาการแต่มันเป็นสิ่งที่กําลังเกิดเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้น่ยสิ่งที่กําลังเกิดกับกายเราเนี่ยใช้ให้แม่มนยำใช้สิ่งที่กําลังเกิดกับกายเนี่ยเพื่อฝึกเพื่อฝึกนะ เพื่อฝึกการรับรู้เพื่อฝึกการรู้สึกไอ้คําว่ารู้สึกรู้สึกนี่เราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นบางอย่างที่เราต้องสร้างเพื่อพยายามรู้สึกภาษามันซ้อนอจริงๆนะยิ่งเราคําเดียวกันเนี่ยผ่านไปผ่านยุคผ่านสมัยมันถูกแปลความหมายผิดอยู่เรื่อยนะเราได้ยินบ่อยเข้าบ่อยเข้าใจเราชอบสร้างภาพความรู้สึกต้องแบบนั้นต้องแบบนี้จริงๆมันแค่สัมผัสนี่แหละรับรู้ กายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งสิ่งเรกแยกอาการนี้ให้ออก <c oughs> กายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกอาการกายเป็นอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมแยกส่วนนี้ออกไหม <c oughs> เรานั่งเฉยๆนี่มีมีอะไรบ้างอย่างตอนเรานั่งกายยังอยู่อาการยืนหายอาการนั่งปรากฏความปวดความเมื่อยที่เกิดกับกายเห็นไหม เรานั่งมานา น, านอาการเมื่อยอาการเมื่อยกับกายไม่ใช่สิ่งเดียวกันคนละอย่างอย่างเรานั่งอยู่นี่ความเย็นที่ปรากฏทางกายกับกายเป็นคนละอย่างถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวแล้วเราแยกไม่ออกลองยังลองหยุดก่อนอย่าเพิ่งใช้การเคลื่อนไหวแยกรับรู้อาการอื่นๆดู ตัวเวทนาความปวดความเมื่อยความเย็นความอ่อนความตึงของร่างกายกับกายเป็นคนละอย่างกันเราไม่ต้องไปจับที่กายวิธีการนะอย่าพยายามไปจับที่ตัวกายใช้อาการของกายตัวเนี้ยแยกให้ดีอาการของกายสิ่งที่กำลังเกิดกับกายเหมือนตอเนี้ถ้าเอามือลูปข้างๆเนียลองเอามือลูปดูรูบพื้นลูปให้มันมีลอก ม, มีลอย มือเรานะ่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดผ่านฝ่ามือเราทั้งหลายนะเห็นไหมลองเอามือรบทั้งข้างดูนะสิ่งที่มันกำลังเกิดกับกากับมือเรานะ่ยผัด ส, สะทั้งหลายเนะ่ยเป็นอาการของกายเราใช้ตัวนี้เราใช้ตัวนี้เวลาเราเดินจกงกรมแต่ละกนะ้าวน่ะ กายคือลักษณะของการเดของการที่มันเคลื่อนไหวไปตามอิทธิบทคือการเดินแต่ผัสสะที่เกิดต่อฝ่าเท้าแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันอาการที่เกิดต่อฝ่าเท้าแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นคืออาการกายเราใช้อาการการเคลื่อนไหวของกายเป็นเพียงอาการของกายไม่ใช่กายจุดพลาดอย่างหนึ่งของวิธีการที่พวกเราภาวนานะ ถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกเวลาเราเคลื่อนไหวเราจะไปเพ่งจ้องใส่กายอย่างนี้เราเคลื่อนไหวมือเราก็จะเอาใจไปไว้ที่มือมันแปะแน่ไปกับกายมันไม่ใช่การรู้สึกมันเป็นการแนบความรู้สึกไปกับกายถ้าอย่างนี้ภาวนาไปเราจะผิดไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่เข้าใจเราจะมีสติระดับนึง ภาวนาสามปีสองปีสา ม, าาาามากกปีจะเริ่มตึงเครียดจะบางคนจริงๆเอาใงมากเกินไปจะเริ่มตึงเครียดบางคนภาวนาไปห้าปีทำไมโยมยังไม่แจ้งก็ <c oughs> <c oughs> โยมทำไม่ถูกตัวไปพัฒนาผิดตัวนี่มันก็ไม่แจ้งตัวแยกให้ออกเราใช้อาการกายทำไมเราจึงต้องใช้อาการกายทำไมเราไม่ใช้กายกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเพ่งจ้องได้ง่ายเป็นที่ตั้งของการยึดได้ง่าย จิตเรายึดคุ้มฉินกัการยึดคุ้มฉินกับการเกาะคุ้มฉินกับกา ร, ก ร, รํากายเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรมันแสดงไตลักษช้ากายเนี่ยนะปีหนึ่งเราแก่ลงหน่อยหนึ่ง10ปีเราแก่ลง10ปีกว่า ม, มันจะแสดงไตลักแต่ดูความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวเองแค่เราขยับหน่อยเดียวไตลักปรากฏแล้วอาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายปรากฏแล้ว เราใช้อาการกายเนี่ยมันจะเกาะไม่ได้มันจะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหลายที่กําลังเกิดขึ้นกําลังเปลี่ยนไปกาลังเกิดขึ้นกําลังเปลี่ยนไปได้ไวมากใจมันจะเกาะอะไรไม่ได้ประคองอะไรไม่ได้แล้วมันจะเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้มันจะเข้าใจไตรลักษณ์ได้ง่ายตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะถ้าเราแยกไม่ออกระหว่างกายกับอาการของกายเนี่ยยิ่งภาวนาเราจะยิ่ง ไปหน้าแบบเหมือนรู้สึกตัวแต่จะกลายเป็นคิดรู้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเราแยกให้ออกอาการของตายนั่นเฉยๆมีอาการอะไรปรากฏเวลาภาวนาอย่าเพิ่งเริ่มตั้งท่าใหม่ๆเลยนะอ้าทุกคนภาวนาขยับแล้วก็ตั้งท่าธรรมนะนั่นคือธรรมชาตินะเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติรับรู้ธรรมชาติแต่เราไปสร้างธรรมชาติขึ้นมานี่อย่างเงี้ยเราจะไปรู้ของจริงตรงไหน เราตั้งท่าที่จะเรียนรู้อะไรที่เกินความจริงไปแล้วเนี่ยการภาวนาเนี่ยเรียนรู้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดเรียนรู้แบบรับรูบร้มันง่ายๆว่าตอนนี้กําลังเป็นอะไรกายกําลังเป็นอะไรอะไรกําลังปรากฏขึ้นยังไม่ต้องรีบสั้งจังหวะการใช้เครื่องมือช่วยหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นประเด็นที่สองประเด็นที่เสริมให้เวลาเรานั่งอยู่นิ่งๆรับรูบรบง้ง่ายๆเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ เบิดแป๊บเดียวมันจะเปลินไปกับความคิดเปลินไปกับอารมณ์เราเลยมีการขยับมีการเคลื่อนไหวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุกให้ใจมันตื่นจากอารมณ์เหล่านั้นตื่นจากความคิดตื่นจากอารมณ์ที่เกิดมารับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดมารับรู้ต่ออาการทั้งหลายที่อาศัยกายเราเกิดเนี่ยมันจะถูกกระตุกออกมาจากเรื่องราวเหล่านั้นมารับรู้ได้ไง่ายๆสาเหตุที่เราใช้การเคลื่อนไหวให้การเคลื่อนไหวตามหลัง เคล็ดลับอีกแค่นี้แต่ตรงนี้ต้องค่อยๆซ้อมค่อยๆทำวิธีการเคลื่อนไหวเราไม่ต้องไปบังคับให้ใจมันไม่คิดไม่ต้องไปบังคับให้ใจมันอยู่กับตรงนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปบังคับให้มันอยู่กับมือไม่ต้องบังคับมันเยอะแต่เห็นการเผลอไปไบ่อยเห็นการที่ใจไม่ได้รับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดเนี่ยบ่อยๆถ้าตาบรู้แบบนี้จะง่ายมันจะไม่ค่อยอึดอัดมันจะภาวานาได้ง่ายจะไม่อึดอัด แล้วมันจะอยู่ในชีวิตประจําวันมันจะทําได้ตลอดเมื่อยู่ในชีวิตประจําวันมันก็มีทั้งการคิดมีตั้งการเผอมีทั้งการเคลื่อนมีทั้งการไหวมีตั้งอาการทั้งหลายที่เกิดกับกายสิ่งเดียวที่เราต้องเพิ่มเข้าไปเพิ่มความใส่ใจเท่านั้นเองจากเดิมทีเราใช้ชีวิตตามปกติไปกับเรื่องกับเล่ากับเสียง ก, กับการพูดกับการคุยเวลาเรามาภาวนาแบบเคลื่อนไหวแบบเจริญสติเนี่ยเพิ่มแค่เรื่องเดียวเข้าไป เพิ่มความใส่ใจใส่ใจที่จะรับรู้สัมผัส ต, ต่อสิ่งที่กำลังเกิดผ่านกายเราให้เปนแม่นขั้นต้นที่สุดย้าตัวนี้ให้แม่นยำวิธีภาวนาแบบนี้นะย้ำตัวนี้ให้แม่นยำย้ำจนใจมันจำได้มันจำอาการปัจจุบันได้จำอาการของกายของสิ่งที่เกิดกับกายได้แม่นยำประเด็นนี้สำคัญ ไม่ว่าเราจะภาวนามากี่ปีไม่ว่าเราจะภาวนาไปแค่ไหนตรงนี้เป็นพื้นฐานเสมอเป็นพื้นฐานเสมอภาวนาไปมากภาวนาไปจนเข้าใจหลายอย่างพอเรากลับมาทวนอารมณ์ใหม่กลับมาทวนจุดเดิมนะต้องกลับมาทวนจุดเดิมที่เท้าก็ทบพื้นใจรับรู้ได้ยังกลับมาทวนจุดนี้ให้แม่นยำวิธีเจริญสติเนี่ยเขาจึงมีคำพูดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรทำความรู้สึกตัวเยอะ ทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวคือทำแบบนี้ให้ใจมันรับรู้ชินแล้วแม่นยากับการรับรู้แบบสัมผัสรู้ต่อสิ่งที่กาลังเกิดกับกายเนี่ยทำสิ่งนี้ให้แม่นยาอย่างอื่นจะกระจางแจ้งต่อไปเรื่อยๆมากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ไหววู้จะเป็นการเคลื่อนไหวของจิตถ้าเราชินกับการรับรู้อาการไหวของกายนะเวลาใจมันไหวรู้ไปสู่ความคิดเนี่ยมันจะเห็นด้วย เวลาตากระทบรูปความรู้สึกความคิดเกิดขึ้นรูปจะเห็นเพราะมันจะมีการเคลื่อนไหวของใจถ้าเราใช้ตัวเวทนาตัวอาการน้ำหนักเวทนาจะมีน้ำหนักน้ำหนักนหนักกับน้ำหนักเบาแต่จะมีน้ำหนักน้ำหนักของอาการทั้งหลายอย่างเรานั่งอยู่เวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาอย่างตอนนี้ก็เช่นกันเวลาเราเคลื่อนไหวเวลาเราตกกระทบถ้าเราจับตัวเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ มันดูตอนมันตกกระทบอย่างเงี้ยเวลามาตกกระทบเนี่ยมันมีน้ําหนักของการกระทบถ้าเราใจเราชินกับการรับรู้น้ําหนักของการกระทบเนี่ยเวลาจิตเผลอไปคิดวูบหนึบความคิดจะมีน้ําหนักเราก็เห็นน้ําหนักเช่นกันใจจะชินกับการเห็นน้ําหนักของสิ่งต่างๆที่เกิดมันจะเห็นตัวเวทนาชัดพราในชีวิตประจําวันมันมีแต่อาการที่เกิดขึ้นผุภานวัยวูบวัยวูบเนี่ยมีน้ําหนักทั้งนั้นอาการปกติอาการธรรมดาจะเป็นอาการที่ไล่น้ําหนัก ไล่น้ำหนักไล้ตัวตนไล่การทำไร้การาไปไล่การมาเป็นสภาวะที่เป็นเดิมแท้ของมันพอเราเห็นน้ำหนักของสิ่งเหล่านั้นมากเข้าพ่าจิตมันหลุดออกมาบ่อยๆบ่อยๆเนี่ ย, อยพอเราฝึกตัวของการรับรู้กายให้แม่นยำมากๆเข้าเนี่ยมันจะไปสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรา ม, มาเถียนเรียกว่าปกติอาการปกตินะั้นเป็นอาการเดิมแท้ทั้งหมดนะเป็นอาการที่ใจเดิมแท้ก่อนที่จะเป็นเรื่องอื่นทั้งหมด มันเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นปกติอยู่เช่นนี้ถ้าใจเราสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นอะไรที่เกินจากนั้นมันจะเข้าใจมากมันจะเห็นไวมากแต่อาการปกติอาการธรรมชาติเหล่านั้นจะไม่ปรากฏเลยถ้าเราไปสร้างอะไรขึ้นถ้าเราไปเคลื่อนไหวแล้วพยายามสร้างขึ้นแป้วพยายามบ่วงใจให้อยู่แป้วพยายามบังคับกายบังคับใจเราจะเจออาการปกติง่ายๆช้ามากยากมากจะกลายเป็นคิดรู้ไปหมด วิธีลมะเทียนเป็นแบบนี้วิธีเคลื่อนไหววิธีเจริญสติเป็นแบบนี้ปัญญาเกิดจากการสัมผัสรู้นั่นหละปัญญาเกิดจากการที่สัมผัสรู้ตรงๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วเห็นปัญญาในแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะปัญญาในแบบภาวนาเนี่ยจะต่างกับปัญญาในแบบคิดปัญญาโลกจะเกิดจากการที่ตั้งคําถามมีชุดคําถามแนละ้ววิ่งไปหาคําตอบปัญญาแบบ การเจริญภาวะการเจริญสติแบบที่ใช้สมนถนําแล้วคิดปัญญาจะเกิดจากการที่ค่อยๆสอนค่อยๆสอนและบางทีจิตมันก็ค่อยเชื่อเราจะเห็นผลก็ใจเราสบายใจเราคลายลงเราจะรู้สึกแบบนั้นที่เป็นตัวปัญญาเข้าใจธรรมะจิตอธิบายธรรมะวิภาควิจารณ์อันนั้นยังเป็นปัญญาสมบูร เป็นปัญญาสมมติอย่างไม่ใช่ปัญญาแท้ปัญญาแท้ในแบบของพุทธเจ้าปัญญาของการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่จิตมันสัมผัสรับรู้เข้าใจต่อกระบวนการเข้าใจต่อกระบวนการกระบวนการคืออะไรกระบวนการของการเกิดขึ้นกระบวนการของการตั้งอยู่แล้วหายไปความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไง ความเผลอเกิดขึ้นได้ยังไงความม่วงเกิดขึ้นได้ยังไงตอนแรกเราเราเห็นความคิดก่อนใช่ไหมเราเห็นความม่วงก่อนแล้วเราก็นโนเนียโนเนียไปกับมันเพราะนเรา้อฝึกรับรู้ไปบ่อยเข้าสนับใจให้ตื่นออกบ่อยเข้าบ่อยเข้าอาการที่มันได้เรียนรู้ว่าอา้าวความม่วงเกิดแบบเนี้จะเริ่มรู้เราจะเริ่มรู้ว่าอา้าวเราเผลอไปคิดแบบนี้นั่นแหละคือตัวปัญญา ปัญญาแบบนี้ไม่ใช่เกิดจากการได้คําถามได้คําตอบไม่ใช่เกิดจากการอธิบายฟุง้งเป็นเรื่องเป็นราวปัญญาแบบนี้มันเกิดจากการที่ใจค่อยๆเข้าใจต่อกระบวนการโลกนี้ทั้งโลกกว้างกว่านี้ก็จักรวาล น, นี้ทั้งจักรวาลนัน่นแหละล้วนเป็นปภา ย, ายใต้กระบวนการมันมีกระบวนการมีแพทเทิร์นของการเกิดของการเคลื่อนของการดับทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ภายใต้แพทเทิร์นนี้ทั้งหมดใจเราจะค่อยๆเข้าใจต่อแพทเทิร์นและกระบวนการรูปแบบของการเกิดขึ้นของการตั้งอยู่ของการหายไปของธรรมชาติตั้งหลายใกล้ตัวที่สุดคือความคิดอารมณ์ความม่วงความอึดาษขัดเคืองทั้งหลายเราจะค่อยๆเห็นกระบวนการของการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การหายไปของมันเท้าหมายที่เราจะเริญสติเนี่ยเพื่อสิ่งนั้น ไม่ใช่เจริญสติเพื่อเอาสติไปเป็นอะไรนะเพื่อให้ใจมันเกิดการเรียนรู้ต <t rio> ่อธรรมชาติต <ín Good> ่อแพทเทิร์นของธรรมชาติตั้งหลายเท่านั้นเองแต่ต้องทำให้มันถูกตัวถ้าทำไม้ถูกตัวเราจะพยายามไปสร้างสติเอาไว้แล้วได้มีสติเยอะๆแต่ไม่รู้จะเอาสติไปทำอะไรจิตก็ไม่ค่อยเรียนรู้อะไรเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็พยายามมีสติให้ความโกรธหาย ใจจะไม่ค่อยเรียนรู้แพทเทิร์นไม่ค่อยเรียนรู้กระบวนการของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปในงานแสดงว่าเราวางใจผิดคนเก่าๆแล้วถ้าความเข้าใจเราไม่ถูกเรามักจะทําอย่างนี้กันความโกรธเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นไม่ชอบใจเราก็จะให้มันหายพยายามรู้สึกตัวไว้ให้มันหายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่หน้าที่สติไม่ได้มีหน้าที่นี้สติไม่ได้มีหน้าที่ทําให้อะไรหายนะสติไม่ได้มีหน้าที่นั้น สติในแบบเจโต ว, วิมุตติในแบบเจริญสติในแบบพวกเราทนะําน่ะสติมีหน้าที่จํา <c oughs> มันที่สดาจริงๆนะสติมันมีหน้าที่เพียงแค่จําเท่านั้นนะจําอาการที่กําลังเกิดมันจําอะไรมันจําปัจจุบันมันจําอาการที่กําลังเกิดปัจจุบันเขามีหน้าที่เท่านั้นหน้าที่สติมีเท่านั้นจําแบบให้มันสัมผัสรู้สาเหตุที่เราให้มันสัมผัสรู้เนี่ย สัมผัสต่ออาการที่กำลังเกิดความปวดความเมื่อยความคิดการเคลื่อนไหวของกายที่เราทำที่เราทำอยู่เนี่ยเพื่อสร้างความคุ้มฉินให้ใจมันจำได้สติมันมาจากธาตุภาษาบาลีว่าสลรธาตุสราสรธาตุมันมีความหมายบ่งอาการว่าเขาแปลว่าละเลึกได้อาการของกิริยาอาการของ ธรรมชาติตัวนี้คือการระลึกได้สาเหตุที่ระลึกได้เพราะจําได้ภาษาบาลีพิจารตัวนี้หนึ่งคำจะมีสภาวะของสภาวะอาการจริงรองรับภาษาบาลีที่เราสวดทุกคํำนะเขามีสภาวะอาการรองรับโทสะมีอาการอย่างไรเขาก็มีอาการรองรับใช่ไหมนั่นคือสภาวะธรรมนั่นคือสภาวะแท้รองรับสติมันเป็นธรรมชาติที่ ระลึกได้ระลึกอาการปัจจุบันได้เหตุเกิดของมันคือมันจำได้ตรงตรง่ายๆอย่างเงี้ยพอไปแกะดูภาษาแนละ้ว อ, อ้าภาษาวนไปวนมาสติไม่ใช่ฮีโร่สติไม่ใช่ออธรรมชาติอะไรที่มีหน้าที่ไปลบลาข้ามฟันสิ่งอื่นไม่ใช่สติเขาจาได้จาอาการปัจจุบันได้ทำไมตอนนี้แล้มันจำไม่ได้ ท ำ, ทำไมตัวนี้เราไม่มีสติทำไมเร า, ารจำไม่ได้ก็ธรรมชาติตัวนี้ไม่ได้เหตุเราไม่ได้ไปสร้างเหตุให้มันเราไปสร้างเหตุให้การคิดเราไปสร้างเหตุให้โทสะเราไปสร้างเหตุให้การหลงเราไปสร้างเหตุให้ความชอบไม่ชอบตั้งแต่เด็กมานะ่ะเราไปสร้างเหตุให้พวกนั้นจะเดินเติบโตแต่เราไม่ได้สร้างเหตุให้การรับรู้ตัวธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเติบโตเราไม่เคยสร้างเหตุให้ตัวนี้ แล้ในการภาวนาแบบเดินสติเนี่ยประเด็นล็กๆแยกให้ออกว่าเราใช้อาการอาการนะเวลาเดินอยู่ยอย่าพยายามม่อยู่กับกายแค่รับรู้ต่ออาการที่กำลังเกิดลองขยับนิดนึงที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เป็นคนเก่าๆเนี่ยปรับตรงนี้ให้ฉัดปรับตรงนี้ให้ให้ขยับออกจากกายออกมา รับรู้ต่ออาการที่กำลังเกิดของกายใช้ตัวนี้ให้แม่นยำก่อนซ้อมตัวนี้ให้แม่นยำถ้าจะมาเห็นหลวงพ่ามาหาท่านพยายามทาตรงนี้ตรงนี้ว่าท่านจะให้เรานั่งนานๆเวทนาเกิดท่านจะให้เราตามดูต่อเวทนาน้ำหนักมันเปลี่ยนไปแล้วน้ำหนักเปลี่ยนไปไหมน้ำหนักเปลี่ยนไปยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันหายไปยังไงหลวงพ่อพาเราแก้ประเด็นนี้โดยการที่ท่านพาทาเลย ท่านพาทาพาทุกคนทำเอ้าเปลี่ยนจังหวะเอ้าขยับไปเพื่อที่จะให้กายกับอาการกายเนี่ยให้เราสัมผัส ต, ต่ออาการกายน้ำหนักมันแค่ไหนน้ำหนักมันทนได้ไหมใจรู้สึกอะไรเวลาเวทนาเกิดหลพ่จะค่อยๆขยับแบบนี้เพื่อให้เราแยกออกระหว่างกายกับอาการกายคนเก่เาๆเราที่ภาวนามาเวอร์ชันเดิมๆ เ, เขาสอนกันเพียงแค่ให้รู้สึก รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเราก็พยายามไปรู้สึกตัวแต่เราแยกแยะไม่ออกเพราะไม่เคยมีใครแยกแยะคนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นปัญหาะเขาก็เลยไม่แยกแยะกันส่วนใหญ่นะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเขาพูดกันเสมอระหว่างเสียงมันดัง เขาจะมีคำพูดว่าให hey, ้รู้สึกไม่ใช่คิดรู้รู้คิดไม่ใช่คิดรู้การรู้สึกการรู้คิดคือการสัมผัสรู้ซื่ อ, อแบบหลงประเทียนคือรู้แบบใจสัมผัสรู้แต่ใจเราจะค้นฉินมากกับการสร้างภาพขึ้นเป็นคิดรู้ บางทีมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นั่นเราเห็นแต่มันคิดภาพของการรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่9ก์ที่ทำกลายเป็นคิดรู้ใจเราจะสร้างภาพของการรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็ไปพัฒนาตัวนั้นเราจะไปพัฒนาตัวนั้นเราไม่ได้พัฒนาตัวรู้สึกตัวสัมผัสรู้เนี่ย ประเด็นปัญหาของคนเก่าๆที่ทากันมานะไอตัวนี้เห็นได้ตอนไหนเวลาเราเผลอคนเก่าๆเราเวลาเราเผลอไปเนี่ยทำมานานๆนะเวลาเราเผลอไปเพลินไปกับอารมณ์มันนึกขึ้นได่อ้าวเมื่อกี้เราเผลอความรู้สึกตัวจะเป็นสัมผัสรู้ตธรรมชาติทั้งหลายที่เบาๆง่ายๆอย่างนี้จะตื่นขึ้นลูกหนึ่งเลยจะเป็นง่ายๆเบาๆสดธรรมดาธรรมดาอีกหนึ่งขณะต่อมามีภาพของการรู้สึกตัว ต่อทันทีไอนี่กลายเป็นคิดรู้ถ้าคนเก่าๆอาจจะเคยฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันใช่ไหมเห <Jean> ็นภาพของปฏิจจสมุปบาทใช่ไมวิชาปัจจาสังขารปัจจยาทั้งหลายวนไปสู่นามรูปทั้งหลายสติปัจจาสังขารปัจจยาอันนี้ตำลาเลยนะสติปัจจายสังขารปัจจยา สังขาระปัจยาคือการปรุงแต่งใจปรงแต่งใจมีภาพใจมีความรู้สึกที่เกินจากการรับรู้ง่ายๆจากรู้สึกตัวซื่ๆของหลวงประเทียนเนี่ยมันเป็นสังขาระปัจยานามรูปปัจจยาคือมันเป็นลูกของความคิดลงเข้ามาหาท่านแยกเรื่องนี้ให้ฟังนะ ม, นมันมันมีรูปของความคิดมีลูปของความรู้สึกเกิดขึ้นในใจ เพราะนั้นฟังท่านพูดเรื่องรูปประขันรูปประขันภายนอกเราสัมผัสได้รูปประขันภายในคืออาการที่ใจสร้างภาพขึ้นนี่คือนามารูปนามารูป ป, ปัจจยาสังขารและปัจจยาคืออาการที่ใจชอบปรุงแต่งอะไรที่เกินจากธรรมชาติเหมือนเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้ความปวดความเม้เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันสัมผัส ร, รู้รับรู้ได้เลยมันไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องอะไรขึ้นไม่ต้องคิดกับมันเลย มันรับรู้ได้ตรงๆอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นสติที่เป็นรู้ซื่อแต่พอเราเคลื่อนไหวมือพอพยายามรู้สึกตัวเห็นไหมป็นคนละอาการกับการรับรู้ตัวเวทนาซื่อตรงๆมันกลายเป็นภาพของความรู้สึกตัวไอ้ตัวเนี้ยถ้ายิ่งเราตั้งใจมากนะใจเราจะไปสร้างไอ้ภาพเนี้ยขึ้นมาสังขารปัจญาเหตุเกิดของตัวสังขารเหตุเกิดของตัวอวิชชาปัจจญาคือความเผลอความหลงอุปท า, าน เหตุเกิดของตัวสติคือการใส่ใจที่มันจําสภาวะปัจจุบันได้ทีละสัญญาเหตุเกิดของไอภาพในใจเนี่ยที่ใจชอบสร้างภาพชอบสร้างอะไรขึ้นมาเกินจากการสัมผัสรู้ตรงๆเนี่ยคือตัวเจตนาในหลักบริยัตินะปริยัติในวิสุทธิมรรคเขาอธิบายไว้เช่นนี้เจตนาเป็นเหตุใกล้ต่อการเกิดสังขารถ้าเราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยกลายเป็นคิดรู้เรียบร้อย บางทีมีภาพของความรู้สึกตัวอยู่ในใจอาตมาสร้างไอเนี่ยอยู่สองปีอาตมาไปทำไม่ียอยู่สองปีทำผิดหมดเลยสาเหตุที่เราภาวนานานๆแล้วเราไม่แจ้งไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งในธรรมะทั้งหลายเพราะเราพัฒนาผิดตัวอันนี้เป็นประเด็นที่คนเก่าต้องค่อยๆแยกแยะแก้แยกอย่างไรกลับมาแยกแยะอาการกายนี้ให้ชัดวิธีแก้กลับมาแยกแยะพื้นฐานให้ชัด อาการกายสัมผัสรู้ตัวอาการกายทีละขณะทีละขณะทีละน้อยทีละเล่นทำเล่นเลๆตามหลังต่ออาการที่กำลังเกิดไปเรื่อยๆถ้าแยกตัวนี้ชัดประเดีย๋ยวเดียวไปเป็นปัญหาขก็น่ า, าจะสบายไอ้ตัวนี้สำคัญตรงไหนสำคัญไปถึงขนาดที่ที่เราภาวนาแล้วมันไม่แย้งไม่ข้ามก้าวไม่ผ่านเนะี่บางทีเบื้องต้นเราอาจจะเข้าใจรูปนามเข้าใจรูปนามเห็นความคิดเห็นอารมณ์แล้วก็รู้สึกตัวแล้วจะหมดอยู่แค่เนี้ย บางคนที่เข้าใจรูปนามเข้าใจเบื้องต้นมาแล้วไปก็ไม่ค่อยรอดเนี่ยมันสืบเรื่องไปถึงตัวที่หลวงพ่อเขียนเรียกว่าสมมุติยานขั้ น, ยา น, นยานขั้นแรกจริงๆมันมี3ระดับสติเนะี่ยหลวงพ่อเขียนท่นเริ่มที่ระดับที่2ระดับแรกคือประชานาติอันนี้หลวงพ่อมหาเถรแก่ตามภาษาปริยัตประชานาติที่เราสร้างเหตุเนี่ยคือให้ใจมันสัมผัสรู้ต่ อ, รตอธรรมชาติทั้งหลายที่กําลังเกิดผ่านกายเนี่ยอาการกายเนี่ยให้ใจมันสัมผัสรตรงๆ สร้างเหตุตัวนี้ตรงๆนี่เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจมันเริ่มจำได้อ้าวความม่วงเกิดแบบนี้ความคิดเกิดแบบนี้อาการของกายที่กำลังเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นี่เป็นประเด็นหนึ่งพัสใจสัมผัสได้ใจเริ่มเรียนรู้เริ่มรับรู้เองเป็นเป็นความรู้สึกตัวระดับที่สอง ความรู้สึกตัวระดับที่สามใจสามารถรับรู้เรียนรู้ต่อสภาวะที่ทั้งหลายที่เกิดตรงๆโดยไม่จัดการโดยไม่แทรกแซงโดยไม่ต้องมีการกระทําใดๆจากเราอันั้นเป็นสติระดับที่3ในยานของเราพระเทีถรจะมีการพัฒนาสติอยู่3ระดับเนี่ยในกระบวนการของเราพระเทียนนะท่านไะ ย, ยานเอาไว้เยอะมากแต่พัฒนาการของสติมี3ระดับระดับ1คือระดับที่ท่านก็ไปทําเคลื่อนไหวกับเขานั่นแหละระดับที่สองคือ จุดที่ลมาเทียนเริ่มต้นสตาร์ทเรื่องยานเวลามตะเทียนคือลูบหนามใจเข้าใจลูบนามพอเข้าใจลูบนามมันแย ก, ก่ายแยกใจแล้วความรู้สึกตัวเป็นอีกอย่างหนึง่งมันแยก่ออกอยานขั้นต้นของลมตเทียนไปจบตรงที่สมมุติไปจบตรงที่สมมุติสมมุติคืออาการที่ใจสัมผัสรับรู้แบบตรงๆกับใจที่ชอบจะสร้างภาพเกินจากนั้นไประหว่างความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติล้วน กับอะไรที่เกินจากธรรมชาติล้วนๆขึ้นไปแม้แต่นิดเดียวเห็นเรื่องนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้ได้แล้วมันจะขยับขึ้นสู่อีกระดับที่สเป็นระดับที่วันนั้นฟังหลวงพ่อมหาท่านใช้คำว่าน้ำกับน้ำมันจะแยกออกจากกันน้ากับน้มันจะแยกออกจากกันจะเป็นความรู้สึกตัวที่ใจจะมีหน้าที่เพียงอาการศึกษาเรียนรู้ทั้งนั้น ไม่ว่าอะไรเกิดใจจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากศึกษาและเรียนรู้จะเป็นสิกติสติในระดับที่สามจะพัฒนาตัวสูงมากหลังจากนั้นจะพัฒนายาวเลยจะพัฒนาไปนั้นทุกสายภาวนาทุกวิธีการภาวนาจะไปรวมกันที่ตรงนี้ไม่ว่าจะใช้เบื้องต้นแบบไหนไม่ว่าจะใช้การพิจารณาสุภาษ ใช้นั่นใชนี่มาแต่สุดท้ายเนี่ยใจเราจะมีอาการศึกษาเรียนรู้ต่อธรรมชาติทั้งหลายตรงๆอย่างไม่แทรกแซงอย่างไม่จัดการจะเป็นอีกระดับหนึงขึ้นไปตรงเนี้ยถ้าเราพัฒนาแล้วก็ อ, อัตมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าว่าให้เรากลับมาทําฐานเนี่ยให้แม่นยําถ้าฐานของการสัมผัสรู้ต่ออาการที่กําลังเกิดนเนี่ยแม่นยํามันจะขยับเรื่องนี้ได้ไหวมันจะขยับไปสู่การเห็นสมมุติอะไรที่เกินจากธรรมชาติของการสัมผัสรู้ไปเนี่ย กลายเป็นการคิดรู้กลายเป็นการสร้างภาพขึ้นภายในเนี่ยมันจะเห็นไวเพราเห็นไวเราจะพัฒนาได้ถูกตัวเราจ ะ, จะเจริญสติได้ง่ายถ้าสติมันสร้างได้ถูกเราสร้างการเกิดของมันได้ถูกสัมปชัญญะจะทำงานได้ง่ายที่หลายคนถามมีคนมีคนถามมัตมาว่าทำยัง ไ, ไงเราจะพัฒนาสัมปชัญญะได้สัมปชัญญะไม่ต้องพัฒนาหรอกพัฒนาสติให้ถูกพัฒนาสติให้มันตรงประเด็น สัมพัชัญญาเขาเป็นเป็นลูกน้องเป็นรถพวงของตัวสติเขาอาศัยสติเนี่ยเกิดถ้าเราพัฒนาสติได้ถูกสัมพชัญญะจะตามมาเรียนรู้ตามมาเรียนรู้มันจะเกิดอาการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เกิดเหมือนตอนนี้เรานั่งอยู่สัมผัสรู้ตรงๆใจมันก็เรียนรู้ต่ออาการที่กําลังเกิดอย่างเวทนาใช่ไหมพอเราขยับหน่อยหนึ่งการคลายตัวของเวทนาแต่ละขณะที่ใจมันเรียนรู้แล้วก็รับรู้การเปลี่ยนแปลงนั่นแหละสัมพัชัญญา มันจะเกิดการเรียนรู้แบบนี้แต่ถ้าเราพยายามรู้สึกตัวไว้เวลาเวทนาเกิดอะไรเกิดเราก็พยายามรู้สึกตัวเนี่ยใจมันไม่เรียนรู้เห็นไหมใจมันพยายามที่จะมาทําสิ่งอื่นไปแทนที่จะรับรู้เรียนรู้ต่อสิ่งที่กำลังเกิดตรงๆเนี่ยใจมันจะพยายามไปถูกทําสิ่งอื่นปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเพราะว่าใจไม่ได้เรียนรู้ปัญญาเกิดจากการที่ใจเราเรียนรู้ต่อธรรมชาติที่กำลังเกิดปัญญามันจึงเกิด มันเป็นวังวนแค่นี้จะสิ่งแรกสุดกลับมาแยกแยะเรื่องการเรื่องอาการกายกับกายให้ออกโจทย์นะตรงนี้เป็นโจทย์ทั้งคนใหม่คนเก่ากลับไปแยกแยะประเด็นนี้ให้ชัดถ้าแยกแยะประเด็นนี้ไม่ชัดยิ่งไปหน้าคนยิ่งมั่วอาตมามั่วมาแล้วเราจะมั่วมากเลยเราจะรู้สึกเอ๊ะรู้สึกไหมรู้สึกตัวไหม ไปบอกตัวเองนั่นงรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมจะไปบอกทาไมสัมผัส ด, ดูสิไม่จ่ายเป็นโลกของการคิดรู้โลกของการใช้ความคิดไปแล้วคนละประเด็นวิธีการภาวนาแบบพวกเราเริ่มต้นโดยการใช้ใจสัมผัสประเด็นนี้ย้ำให้ชัดเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชินมากที่สุดคือการใช้ใจสัมผัสธรรมชาติที่กาลังเกิดย้ำตรงนี้ให้ชัดย้ำอาการ สัมผัส ต, ต่ออาการที่เกิด <Jasmine> ไม่ต้องไปเพ่งจ้องใส่ยกายหรอกออาไไรอกายมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่หนีไปไหนกายไม่เคยดีเราไปไหนหรอกมันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพยายามดักรู้ดักรู้ไม่ต้องไปประคองไม่ต้องไปกรำมันไว้มันไม่หนีไปไหนหรอกไไหหรอกายกน่ะโดดเด่ไปกับเรานี่แหละ oires. ไปเรียนรู้อาการทั้งหลายที่กําลังเกิดเนี่ยให้ ม, มันแม่นแค่นั้นเองย้ําประเด็นนี้ในคนเก่าคนใหม่เขาจะมีอาหารในประมาณแปดโมงเนาะ ตั้งหมงึ้นเราทำความสะอาดทำน้น่นทำนี่กันแล้วจับปดโมงจะมีสัญญาณระคำเข้ามารวงในนี้ก็มีอาหารช่วงแปดโมงนะเช้านี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเวลาก็ว่า น, นองเคาะดูแล้วเคอพื้นดู เอ้อแค่นั้นแหละเนอ้อรับรู้นั่นแหละไม่ต้องจริงจังมากแค่ใส่ใจถ้าจริงจังมากจะกลายเป็นปัญหาจะกลายเป็นอยากแค่รับรู้ลองลองดูจริงๆนะตัวเคาะอะไรเงโอ้กเนี่ยไม่ใส่ใจมันก็รู้นะเห็นไหมก็แค่ น, นั้นแหละแค่นั้นแหละเอ้อแค่นี้แหละแค่นี้แหละฝึกแบบนี้เนี่ย ใช่ใช่แค่นี้แหละแต่เราไม่จริงกับอะไรที่ง่ายๆแค่นี้ต่อแล้วยมมาทำเพื่ออะไรล่ะฝึก <c oughs> เพื่อให้ใจสัมผัส ต, ต่อโลกความจริงเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่เคยใช้ชีวิตกับโลกความจริงเราใช้ชีวิตกับโลกของความคิดใจเรานะ่ะมีภาพอยู่ภายใน แต่โลกความจริงคือโลกที่กําลังปรากฏและเป็นไปรอบตัวเราเนี่ยความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งลมพัดแสียงแดดออกเสียงนกเสียงกาเสียงทั้งหลายที่กำลังปรากฏในโลกความจริงแต่ใจเราจะไปสร้างโลกจําลองอยู่ภายในโลกจําลองอยู่ภายในโลกของความคิดโลกของอารมณ์นนะ่ะมันพาเราหลงนั่นเป็นเหตุเชื้อของการหลงเป็นเหตุเชื้อของการจมไปกับเรื่องราวไม่ใช่โลกของ ที่จะชวนให้เกิดปัญญาต่อความเข้าใจต่อความเป็นจริงของธรรมชาติตามรู้ก็คือรู้หลังไม่ต้องพยายามไปสร้างมันขึ้นไงแค่รู้รู้ว่ามันกาลังเกิดอะไรนั่นคือตามรู้รู้ว่ามันกําลังเป็นอะไรใช่แค่นั้นแค่นั้นจริงๆภาวนาะ่ะแค่นี้เองนิดเดียวแค่เนี้ยแต่อนิดเดียวแค่เนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค้นฉินเราค้นฉินที่จะอะไรมากกว่านี้ แค่นี้เองนะเขาบอกตั้งนานแล้วเราไม่รู้กันเองเอาอาตมาเพิ่งมมามาโทษอะไรอาตมาแร้ <Okay. S 1> ใช่คือใจมนุษย์เราทุกคนนะ่ะมันเกินจริงพวกเรานะ่ะเกินจริงเราเลยไม่เข้าใจความเป็นจริงใจเรานะ่ะมันเกินจริงเสมอแล้วกี่ปีแล้วล่ะที่เราจเจริญเติบโตมาภายใต้โลกของอุดม โลกของภาพโลกของความร first, so you, really? <owner> ู้สึกเราสร้างบาเรียของโลกนั้นไว้จุคลุมเราจนไม่สามารถสัมผัสตัวโลกความเป็นจริงได้เราจะเข้าใจธรรมะเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากการสัมผัสตัวโลกความจริงนี่แหละอะไรที่มันเป็นมาตลอดเราไม่เคยสัมผัสตัวโลกความจริงจมอยู่ในโลกของความคิดจมอยู่ในโลกของอารมณ์จมอยู่ในโลกของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า โลกที่เราสร้างมาตลอดนะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไอ้นั่นแบบนั้นไอ้นี่แบบนี้ไอ้นั่นแบบนี้ไอ้นี่แบบนี้แต่โลกของการสัมผัสและรับรู้เลยเนี่ยเป็นโลกของความจริงเป็นโลกของธรรมะเป็นโลกของปรากฏการณ์จริงแต่เราไม่คุ้มจริงเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวนะรู้สึกต่อความจริงนี่แหละตัวสิ่งนี้กาลังเกิดจริงๆเนี่ยแค่นี้เอง ก็นำไปถึงจุดหนึ่งนะถ้าใครบอกว่าอ๋อความรู้สึกตัวมันแค่นี้เองเหรอมันธรรมดาแค่นี้เออคนนั้นใช้ได้ถ้าใครบอกโอ้โหความรู้สึกตัวในพิสดารมนโนมันนี่อีกคนนี้ไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> <c oughs> อธรรมตาต่งสิ่งง่ายๆแค่นั้นเองนะถ้าใจเรามาสัมผัส ต, ต่อธรรมชาติจริงๆแล้วอ๋อมันแค่นี้เองเลยนี่เออใช้ได้ละเข้าล่องเข้าลอยละลูกโซ่คือให้มันเล่นยๆตอนเนี้ตอนเนื่องไม่ใช่พยายามให้มันขึงเอาไว้นะให้มันทิที หลพ่อมหาใช้คําว่าถี่บ่อยนะช่วงหลังเนี่ยเท่านเดี๋ยวจะมาฟังทีทีทีทีทีทีบ่อยๆการที่มันทีทีเนะี่ยเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่หนึ่งข้อมันจบใช่ไหมมันจบแล้วมันเริ่มใหม่ใช่มันจบแล้วมันจะเริ่มใหม่แต่ถ้ามันเป็นเหล็กเส้นมันจะพยายามอย่างเงี้ยจะเป็นหุ่นยนต์แบบเนี้ยแต่ย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้เป็นเหล็กเส้นไม่ใช่ลูกโซ่แต่ลูกโซ่ก็คือแค่นี้ยรับรู้สิ่งอื่นเขาเกิดเขาับรู้ต่อ สติมันเกิดขึ้นเพราะมันจำได้ทำยังไงให้มันจำได้บอกมันบ่อยๆนี่นะวังวนมันอยู่แค่นี้เองให้มันจำได้บ่อยๆบ่อยๆทำยังไงบ่อยๆก็ทำทีๆมันจึงบ่อยๆมันจึงจำได้ง่ายๆรับรู้แบบสัมผัสรู้ต่อสิ่งที่กำลังเกิดสัมผัสรู้สัมผัสตามรู้ไปแค่นั้นเอง กับหลักนี้ให้แม่นถ้าหลักนี้เราแม่นการเจริญสติการภาวนาแบบเนี้ง่ายและไวแต่ถ้าจับหลักนี้ไม่แม่นประเด็นเริ่มต้นไม่แม่นกระดูมเม็ดแรกผิดไปยาวเลยยิ่งไปนานเข้าเรายิ่งไปสร้างภาพและเป็นฉินพยายามรู้สึกตัวหน่อยเดียวแน่นข้างในอันตมาไปถึงขนาดนั้นไหม mm hmm. เลยป้ายไปไกลมากรู้สึกตัวก็ไปย่าประคองไว้ทั้งวันแต่พอไปนอนอ้าวกับรู้สึกตัวแบบไม่ง่ายสบายๆทาคิดทั้งวันเลย ใจสร้างภาพของความรู้สึกตัวมาแล้วก็ไปถือภาพนั้นไว้ตั้งหวัดเป็นนะอาตมาาก็เป็นขนาดนันะ้นอืมก็ใใแค่รับรู้ตัวสิ่งที่เกิดกายเราอยู่ยังไงความชอบไม่ชอบไปสนใจเขาทำไมดูใจเราว่าดูใจเราว่าเรารู้สึกยังไง นั่นคือสิ่งที่เกิดกับเราสัมผัสในใจก็ได้เอาความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเวลาเขาเสียงดังเขารบกวนเราใจเราชอบไหมก็คแค่ดูว่ า, าใจไม่ชอบมาดูที่ตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวมาดูที่ว่าใจรู้สึกอะไรอาการกายกำลังเป็นยังไงใจรู้สึกยังไงแค่นั้นไม่ใช่ตัวข้างนอกนู่น เดี๋ยวคนก็โทรศัพท์เดี๋ยวนกก็ร้อสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดอยู่รอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติแต่อะไรที่เกินธรรมชาติใจเราที่ชอบไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นเราไปแก้สิ่งนอกไม่ได้เออเราไปแก้สิ่งนอกไม่ได้ไม่ต้องไปแก้เราจะไปตามแก้ยังไงคนทั้งโลกไม่ให้โทรศัพท์รบ ก, กวนเราเนี่ยแก้จุดเดียวที่เราคือดูว่าใจเรารู้สึกอะไรตอนเรื่องเหล่านี้ ทีนี้มันจะเปลี่ยนเรื่องจากคนโทรศัพท์จากคนทําเสียงดังจากคนพูดไม่เพาะจากคนด่ากันมันจะเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นไปสิบเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องแต่เรื่องเดียวที่มันทําเหมือนเดิมคือในใจใจมันชอบหรือไม่ชอบมันรู้สึกอะไรต่อภาษาเหล่านั้นก็นี่เหลือเรื่องเดียวไปตามแก้เรื่องนอกเป็สิบร้อยเรื่องพันเรื่องเราแก้ไม่ได้หรอกแค่กลับมาดูว่าใจรู้สึกอะไรต่อเรื่องนี้กับสิ่งอื่นก็เกิดพอมันรับรู้ว่าใจรู้สึกอะไรได้อาการอาการกายก็เกิด มันก็รับรู้อาการกายได้เท่มันก็เข้าใจรูปเข้าใจนามแค่นี้นะรูปนาม ง, ง่ายๆแค่นี้นะรูปนามไม่ใช่อะไรไกลตัวรูปนามไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่ไม่ใช่อะไรที่มันพิสดารก็ใดที่ใจสัมผัสรู้ได้ง่ายๆเราเห็นการทํา ง, งานว่ากายรู้สึกอย่างนี้กายส่วนหนึ่งอาการกายส่วนหนึ่งใจกําลังรู้สึกนึกคิดอะไรกําลังรู้สึกอะไรก็เห็นอยู่ก็รับรู้ได้อยู่แค่นี้แหละรูปนามถ้ารูปนามตัวนี้เอเน อาการกายอาการใจแม่นสัมผัสรับรู้ได้แม่นแล้วใจวนกลับมาดูที่ตัวเองได้ไหวได้ไหวตัวนี้จะเป็นหลักเป็นต้นทางของทุกเรื่องแล้วปัญหาที่หลุดไปจากนี้ยถ้าเราไปฝังแล้คนนั้นโทรศัพท์ไม่นั่นกติกาเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้นนนนนไม่มีมาระยะโน่นนี่นั่นไปเป็นเรื่องเป็นราวไปคุ้งวินแควถ้ามีโอกาสจะกระทําต่อเลยหันไปสักว๊ดนึง <laughs> เห็นไหมปัญหาโลกมนุษย์เกิดจากต้นไหนเกิดจากการที่เราไม่เคยกลับมาสู่ตัวเองก่อนนี่แหละ ไม่เคยเรียนรู้ตัวสิ่งที่เกิดกับตัวเราก่อนเราไปจัดการตามอารมณ์ตามความคิดปัญหาทั้งโลกเราไม่เคลียร์ไปยิงกันก็เพราะอย่างนี้หละมันทะเลาะขันวุ่นวายก็เพราะเรื่องนี้ตัวนี้เป็นตัวต้นปัญหาว่า การเคลื่อนอ่าการเคลื่อนก็ได้เท้ากระทบพื้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ขณะก็ได้ความเย็นความอ่อนนี่แหละอาการกายาเายยล ว, เาาวลาเวลาเวลาเราจับเวลาเรากำความรู้สึกตัวการบีบมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละอาการกายใช่ขณะตัด อาการเปลี่ยนตลอดนั่นแหละนี่คืออาการของกายให้ใจรับรู้ต่ออาการทออาี่กำลังเกิดของกายอย่างเงี้ยบ่อยๆใช่กาลังเกิดอาการแบบไหนแบบไหนเป็นยังไงกําลังเป็นยังไงนั่นแหละแค่นั้นแหละืใจรู้สึกอะไรชอบไม่ชอบอยากคิดล่วงหน้าไปแล้วเราก็แค่เห็นไปด้วยเห็นมันทํางานอย่างนั้นแหละแค่นี้แหละ นี่คือการรู้ซื่อๆนี่คือการรู้สึกตัวใช่นี่คือการรู้สึกตัวคําเดียวคือรู้สึกตัว well. แต่พอแยกแยะออกมาจากความว่ารู้สึกตัวมันคือเรื่องเหล่าเนี้ยคือเรื่องเหล่านี้บางทีเราใช้คําว่ารู้สึกตัวเราไม่รู้ว่ารู้สึกตัวคืออะไรเราก็เลยไปสร้างไอ้ภาพบางอย่างขึ้นมาให้พยายามรู้สึกเราแปลคําความหมายของตัวนั้นผิดตัวแต่จริงๆมันคือตัวเนี้ยตัวที่ไม่ฉี่ว่านี่แหละ เราไปแปลว่ามันคืออาการนี้อาการนี้ จ, จริงๆมันแค่ที่ว่านั่นแหละการบีบการจับการเคลื่อนเห็นแล้วมันรู้สึกอะไรก็เห็นอยู่นั่นแหละรู้สึกตัวเรียบร้อยสัมผัสตรงๆอาตมามักใช้คำว่ารับรู้นะอาตมาไม่ค่อยใช้คําว่าให้รู้สึกให้รู้สึกอาตมามักใช้คำว่ารับรู้ธรรมชาติที่รับรู้ต่อสิ่งที่เกิดได้นั่นแหละสตินั่นแหละคือการรู้สึกตัวอื ม, อม ใช่รับรู้ก่อ น, วนเวลําเขึ้นมือไปอ้าวเมื่อกี้เผลอขึ้นไปตามความเผลอก็เห็นอีกอาการคันเป็นหนึ่งขนาดขณะที่หนึ่งที่รับรู้อีกขณะหนึ่งคือการเคลื่อนไปตามความเผลอรับรู้อีกเอ้าวเมื่อกี้เราเผลอแนี้แค่นี้ข <c ười> ึ้นไปตามความเผลอหรือหลวงพ่อมาหาสอนอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมรื่องนั่งอยู่รปรากัวเมื่อยขยับเลยทันไหมหลวงพ่อมาหาใช้เรื่องนี้เพื่อให้เราเห็นสิ่งที่กําลังเกิดแล้วการ เผลอไปตามความคุ้นชินคนเก่าๆขึ้นนะเห็นการเผลอไปตามความคุ้นชินเดิมๆบ่อยๆเข้าสติจะกลายเป็นสติธรรมชาติที่เท่าทันต่อการทํางานของธรรมชาติอย่างเงี้ยเรียกว่าตามรู้อย่างเงี้ยเรียกว่ารู้สึกตัวต่อธรรมชาติที่เกิดการเผลอไปตามความคุ้นชินนั่นแหละเพอเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าต่อการรับรู้ มันเผลอไปแล้วก็แค่รู้ว่าเผลออ๋อไม่กี้เผลอหลวงพ่อเทียนจะถามคนภาวนาใหม่นะรู้สึกตัวไหมรู้สึกเวลาไม่รู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกนี่แหละพอมันคันก็เก่าเนี่ยคือไม่ไม่รู้สึกรู้สึกไหมเผื่อรู้สึกแล้วครับรู้สึกว่าไม่กี้เผลอนั่นแหละคือรู้สึกอืรับรู้ต่อสิ่งที่มันเกิดก่อน ไม่ต้องตามรู้การรับรู้ว่ามันกําลังเกิดนั่นแหละตามรู้เรียบร้อยแค่นั้นเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็แค่รับรู้เรื่องอื่นเกิดต่อรับรู้เรื่องอื่นต่อมันเกิดและดับขณะดเดียวความรู้สึกตัวเนี่ยสติเนี่ยขณะเดียวสิ่งที่ไม่ทีพูดว่ามันต้องไปตามรับรู้ต่อไอ้นั่นคือตัวเจตนาไอ้นั่นคือความคุ้นชิ่นของเราเราคุ้นชิ่นที่จะทําคุ้มชิ่นที่จะมีเราเข้าไปทําอะไรเพิ่ม นั่นเป็นเพียงความคุ้มชินนั่นเป็นสิ่งที่บางธรรมชาติของการตื่นรู้อาการที่ไม่ชีถามมาแต่มานะว่าเราต้องต้องนั่นไหมไอ้ตัวนั้นเป็นตัวที่เราชินมาที่สุดคนเก่าที่จะพัฒนาสติระดับนี้ไปสู่สติระดับประมัดเนี่ยเห็นตัวนี้ดีๆก้าวข้ามตัวนี้ให้ได้สติระดับที่มันจะพัฒนาขึ้นไประดับอัตโนมัตินะสิ่งที่บางมันไว้คือไอ้ความรู้สึกที่เราจะต้องไปทาอะไรบางอยา่าง ตัวนั้นบางการตื่นรู้ที่สุดตัวนั้นนะบางการตื่นรู้เอาไว้ที่สุดเลยมันแค่สัมผัสรู้ก็ตรงๆแค่นี้แต่มันก็จะพยายามเพิ่มนั่นเป็นหน้าตาของตัวตันหาอุปทานเท่านั้นต้องก้าวข้ามตัวนี้ให้ได้พอค น, าน้าวนามาสิปีเนะี่ยรู้สึกตัวง่ายๆแต่ใจก็พยายามสั่งให้รู้สึกรู้สึกไอ้ใจที่สั่งให้เรารู้สึกใจที่สั่งให้เราพยายาม ใจตัวนั้นแหละเห็นมันดีๆหลวกพ่อเทียนเรียกอาการนี้ว่าสมมตุติในยานขั้นแรกของหลวงพ่อเทียนนะ่ะไปจบสมมตุติคือจบให้ตัวสั่งเนี่ยแหละเห็นให้ชัดตัวนี้ไม่ฉี่ไปดูตัวนี้ไม่ใช่ไปทําตามตัวนี้ <c oughs> ไปดูตัวนี้นะไม่ใช่ไปทําตามตัวนี้สัมผัสรู้นี่เป็นโลกของการสัมผัสโดยที่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องคิดแต่พอ ม, มันพยายามที่จะรู้ต่อพยายามที่จะทําอะไรต่อไอ้นั่นแหละคือส่วนเกิน นั่นนะคือสิ่งที่ลูกวัฒเถียนเรียกว่าสมมุติเห็นตัวเนี้ยให้เยอะยานขั้นแรกรู้สมมุติให้รอกคือรู้ตัวนี้ให้รอกแล้วโลกของการสัมผัสรู้ขณะเดียวต่อง่ายๆจะเกิดขึ้นจะไม่เกินจากนั้นเท่า น, นั้นเองตอนนี้ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆย้ําไปมันเกี่ยวกับความเข้าใจด้วยนะ ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจแล้วรู้ว่าอาการไหนคือส่วนเกินอาการไหนเป็นตัวแท้อาการไหนเป็นตัวที่เกินเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อธรรมชาติตั้งหลายที่เกิดท้ายที่สุดนะ่ะภาวนาแบบนี้การภาวนานะไม่ต้องทาอะไรเลยคุณให้สั้นหง่ายๆนะรูดเป็นชั่วโมงเนี่ยถ้ถามแบบสั้นๆง่ายๆนะภาวนาทายังไงไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องทาอะไร ให้กายให้ใจมันเป็นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ให้มันเป็นไปแล้วก็ดูมันไปให้มันทำงานให้ดูไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ที่ทำที่ง่ายที่สุดนะไม่ต้องทำอะไรหรอกแต่ให้มันศึกษาให้ได้ศึกษาให้ได้ถ้ามันศึกษาไม่ได้ค่อยไปทำไอ้ที่ขยายก็มาเป็นแปดหมนสะี่พันเนี่ยเพราะมันทำการไม่ต้องทาอะไรไม่ได้มันพยายามจะทำาอะไรตลอดแค่นั้นเองปกติลนะีวมันทำอยู่ตลอดไง มันไม่ทำไม่ได้ไอแ8ด0 0ืนสี่พันเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปสู่กันไม่ทำอะไรนั่นแหละแค่นั้นเองมีอะไรไหมภาวนาต้องแบบนี้นะต้องค่อยค่อยคุยค่อยค่อถามค่อยค่อยสัมผัสค่อยค่อยอมันคือแบบนี้อันนี้ถูกไหมอันนี้เกินไหมอ๋อค่อยค่อยปรับสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจต่อกระบวนการที่ต้องให้ถูกต้องก่อน ถ้ากระบวนการนี้เราเข้าใจไม่ถูกต้องเวลาเราไปลงมือทำการตัดสินใจต่อสิ่งที่เกิดมันจะผิดเพี้ยนไปเลยเราจะสร้างเหตุไม่ถูกถ้าเราเข้าใจต่อกระบวนการได้ถูกเวลาเราไปลงมือสร้างเหตุเราจะทำได้ถูกกระบวนการเรานะ่ชินกับการทำผิดอยู่แล้วไม่ต้องพยายามไปทาให้ผิดหรอกมันไม่ค่อยจะถูกโดยธรรมชาตินั่นเลยแต่ถ้าเรารู้หลักรู้วิธีรู้กระบวนการสัมมาทิฏฐิคือเรื่องนี้ เข้าใจตัวกระบวนการให้ถูกแล้วก็ไปซ้อมดูแล้วมันจะเห็นว่าออกแบบนี้ส่งผลแบบนี้ออกแบบนี้ส่งผลแบบนี้ในทีเนี้ใจจะค่อยๆเข้าใจาค่อยๆเข้าใจอืมอืมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไไดเริ่มต้นด้วยแบบนั้นอะดีที่สุด พอมันเผลอพอมันเพลินเกินไปเอาขยับสร้างจังหวะหน่อยขยับมันสร้างจังหวะให้ใจมันตื่นขึ้นมาแค่ น, นี้ปลุกให้มันตื่นตัวสมัมปชัญญะเนี่ยถ้าสมัมปชัญญะมีกําลังนะอาการตื่นรู้นะ่ะเป็นอาการของสมัมปชัญญะที่มีกําลังระหว่างรูปนามกับอารมณ์รูปนามเนี่ยสิ่งที่พัฒนาขึ้นคือตัวสมัมปชัญญะพัฒนาขึ้นการตื่นออกจากอารมณ์สมัมปชัญญะจะมีลักษณะอาการหนึ่งนอกจากเรียนรู้แล้วเขาจะตื่นออกจากอารมณ เขาจะไม่จมไกับอารมณ์เหมือนเรานั่งรับรู้อยู่ดีๆเนี่ยแป๊บเดียวมันจะเน่อยๆเผลอๆมันเพินไปเพราะเราขยับหน่อยพอเห็นว่าเพล่เพลินเพินสติเห็นการที่จิตขยับตัวเองออกนั่นเป็นการทํางานของสัมปชัญญะใจจะตื่นออกจากอารมมาเป็นการสัมผัสรู้ตื่นรู้ใจตื่นขึ้นจากอารตื่นขึ้นจากอารมอันเนี้ยเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะน่าจะมีอาการเรียนรู้แล้วเขามีลักษณะของการตื่นออกจากอารมณ์ พุาธสภาวะมีการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นการทํางานของธรรมชาติแบบนี้เนี่ยคือประเด็นสําคัญแต่ถ้าเราพยายามเคลื่อนไหวแต่ใจมันหมกมุ่นอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ตื่นมันผิดประเด็นแค่นั้นแหละว่าก็แค่เห็นมันก่อนก็ <c> ่ <oughs> แค่เห็นมัน ก็แค่เห็นมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็มาใหม่ก็แค่นั้นนหละถ้ามาชาติของใจเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปนะคือมันอยากไปเดินแต่พอเราไปอยู่อีกสถานการณ์หนึ่งเราอยากได้ อยู่อีสถานการณ์หนึง่งเราไม่อยากให้อันี้เกิดใจทำเรื่องเดียวคือพยายามผักเราบพยายามต้องการบางอย่างไม่ต้องการบางอย่างมันทำเรื่องเดิมแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนแค่เหตุแต่ใจทำเรื่องเดิมใช่ดูมันก่อนแล้วค่อยถ้ามันควรจากถ้ามันควรจากมันจะมีองค์ฟากสมมติกับฟากประะมัตนะาวนาเนี่ย ถ้าสม ม, าามุติคือภาพปวามละมัดคือภายในกายในใจเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเราดูมันได้แล้วนะดูมันเกิดยังไงหา ย, ยาได้ไงเราไม่ต้องทําตามมันก่อนถต่า ภ, าภาพสมมติคือถ้ามันจะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นหรือมันควรที่จะแต่างหลวงพมาหาทัานจะแย่กว่าถ้ามันปวดมันเมื่อยเกินไปเวทนาทนไม่ได้มันควรที่จะขยับเราก็ขยับแต่ถ้าเราทําตามความรู้สึกประเภทนี้เวลาเราอยากได้อะไรหรือเวลาเราเมื่อยเราก็ขยับเลย นั่นเป็นความคุ้นชินของการเผอือเป็นความคุ้นชินของการสั่งสมการตามอารมณ์ใจเราก็จะคุ้นชินกับการอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ไม่อยากได้อะไรก็หนีถ้าใจจะไม่ลุกขึ้นมาเรียนรู้ต่อสิ่งที่เกิดเราฝึกเพื่อให้ใจลุกขึ้นมาเรียนรู้ต่อสิ่งที่เกิดแล้วมันควรจะทําอะไรต่อไอเนี่ยใช้ปัญญาส ม, มุติจัดการกาลังโมโหอา้าวพรจาบอกว่าไม่ไม่ต้องไปจัดการโมโหหูแดงอยู่อย่างงั้นเลยแล้วก็หลุดร่วงไปใส่คนอื่นอย่างเงี้ย แต้อ ย, อ, นนะอย่างนี้ไม่มีใครสอนนะไอย่างนี้ไม่มีใครสอนตัวสาเกิดเยอะเกินไปทํายังไงถ้ามันจะหลุดล่วงไปใส่คนหนึ่งขยับทิ้งเลยอย่างนี้เป็นการบริหารจัดการแทรกแซงที่ควรจะควรจะถ้ามันควรจะขยับควรจะสลัดความรู้สึกออกกลับความรู้สึกตัวแล้วนๆก่อนถ้ามันหลุดล่วงเอาไปบาดแผลเยอะแยะเลยนะสังคมวุ่นวายตายอย่างเงี้ยสินมันเป็นเครื่องล้อมแบบนี้สินสมมุติล้อมอาการนี้ไว้แค่นั้น แล้ามันอยากอยากเอกไปเดินมันอยากตลอดนั่นแหละใช่มันจะหาสารพัดวิธีเพื่อให้มันได้ตามที่มันอยากนั่นแหละใช่ตบะขันติคือสิ่งที่ต้องใช้เยอะมากในกระบวนการภาวนาอยากได้อะไรอย่าพึ่งย่ายอยากขยับอย่าพึ่งขยับ อยากรู้สึกตัวอยากเพิ่นรู้สึกจะไม่ฉีนะมันอยากรู้สึกตัวมันเนียนขนาดนั้นมันเนียนขนาดนั้นระหว่างโลกนี้กับโลกเนี้ยแค่นี้เลยมันเนียนกับเราขนาดนั้นอยากรู้สึกตัวอยากรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวเบื้องหลังคือความรู้สึกที่พยายามจะทำอะไรบางอย่างตอนธรรมาชาติ เป็นใจเป็นตัวที่บังการตื่นรู้บางความจริงของธรรมชาติทั้งหมดแม้กระทั่งอยากรู้สึกตัวเมื่อละเอียดถึงที่สุดเมื่อละเอียดมากเข้าไอ้นี่เป็นเพียงตันหาวประธานแค่กันนะขนาดนั้นแต่การที่เราเห็นมันต่อสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ไปเห็นรายละเอียดพวกนั้นใจมันจะอิสระกลายเป็นน้ําบนใบบัวมันต้องเห็นไอ้พวกนี้ไปด้วยนี่เป็นเรื่องละเอียดของคนเก่านะอืมขนาดนั้นหลย อ่าสาธุงั้นโอเคเดี๋ยวมีสัญญาณวะรังอ่ะกลับพระ